ف ้าพกล่าวอุ ا ل ยของพระองค م ท่านท ل ้ ا หล ا ل ر ี่อย ي م ในนี้ م ้ ل ل กล่าวอุบายของพระองค์ท่านทั ن งหลา ا ل ี่อยู่ใ ل นี้ข้าพกล่าวอุบายของพระองค์ท่า ل ا م ้ ل หลายที่อยู ه ในนี้ข้าพกล่ ا ว ل ุบายของพระ ر งค์ท่านทั้งหลายที่อยู่ในนี้ข้าพกล่าวอ ا บายข ا งพระอนี้กล่กันรัในนี้ขากอบางพระอ่นงูา อัลกูไรชสราคูไรชนะครับผมลีลาฟิกไรชก่อนที่เราจะเริ่มทำความเข้าใจกับสราค น, นี้ปกติเราก็จะทําการอ่านกันก่อนแต่ว่าก่อนที่จะอ่านผมขอคุยประเด็นเมื่อวานที่ว่าตกค้างมันไม่จบผมอยากจะให้เคลียร์นิดนึงนะครับเรื่องของดูอาจะได้เคลียร์เออมื่อวานมีการพูดกันต้องของมาผู้ชมทางบ้านด้วยเพราะว่าไม่ได้ไลฟ์เพราะว่าผมลืมอุปกรณ์ไลฟ์เมื่อวานปิดประเด็นแต่ว่าอางั้นตกลงหลังละหมาดตกลงเราขอดูอาได้หรือเปล่า หลังละหมาดขอดอวยได้ไหมคําตอบก็คือว่าการขอดอวยจะขอเมื่อไหร่ไม่มีข้อห้ามคือการขอดอวยที่ว่าเราขอจากอัลลอฮ์จากใจคือเรามีเรื่องเรามีปัญหาปุ๊บ l i n k i กับอัลลอฮ์ขออวยจากพงได้ตลอดเวลาจะเป็นก่อนละหมาดในละหมาดหรือแม้แต่กระทั่งหลังละหมาดเพราะว่าหลังละหมาดก็จะมีซึนนะให้มีการขอดอวยอย่างเช่นให้อ่านว่าสักลูบล้อใช่ไหมครับลองอานกันดูนั่นก็คือดูอาเพียงแต่ว่าเป็นดูอาที่ว่าไม่จําเป็นต้องยกมือ เพราะว่าการดูอามีหลายรูปแบบมีการชี้นิ้วมีการยกมือขอดูอามีการขอตอนสิ้อยู่นั่นหมายความว่าถ้าเราจะดูอาเมื่อไหร่ยิ่งดูอาอ่อนร้อยยิ่งรักยิ่งดูอาร้อยยิ่งรักแต่ประเด็นในเรื่องของการดูอาหลังละหมาดที่ต้องพูดให้ชัดเจนที่ต้องพูดชัดเจนก็คือว่าถ้าเรามีเรื่องมีประเด็นแล้วเราอยากจะขอดูอาอันนี้ ม, ม, มีใจเรามีเรื่องเรามีความต้องการจากอ่อนร้อยจริงจริงกัน ก, ก็คือว่าเป็นการยกมือขอดูอาที่เราไม่รู้ว่าขออะไร คือมันกลายเป็นประเพณีนิยมก็คือละหมาดพอดูเสร็จปุ๊บก็ยกมือขอดัวเป็นกลุ่มซึ่งคนขอผมคิดว่าแค่ถ้าไนมีใครรู้ตัวเลย ว, ว่าตัวเองกำลังขออะไรอยู่ครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ท่านต่ำสุดก็คื อ, อไร้ค่ า, าอย่างที่บอกก็คือว่าอัลลอฮฺจะไม่รับการขอของคนที่ใจเขาไม่ได้มาด้วยแล้วถ้าเกิดหนักสุดก็คือมันถึงขั้นเป็นบิดาได้เลยเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องที่ว่ามุสลิมเราต้องระวังแต่ถ้าเกิดวเรามีเรื่องอยากจะขอครับอายาที่เราพูดคุยกันเมื่อวาน ในสุรอาลอปในช่วงสุดท้ายก็คือว่าผู้ลอสั่งให้เราต้องขอมากๆเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเรื่องอยากจะขอในละหมาดชันขอแล้วแต่มันยังไม่หมดมันยังมีเรื่องที่ฉันอยากจะขออีกสลามแล้วฉันจะขอต่อถือว่าไม่ผิดนั้นประเด็นนี้เคลียร์นะครับชัดเจนนะครับประเด็นที่อยากย้ําก็คือว่าผู้มาลอสจะไม่รับการขอของคนที่เขาไม่รู้ว่าเขากำลังขออะไรอยู่เพราะเราจะขออะไรจากลอสมันต้องเราชัดเจนว่าเราอยากได้จริงๆแล้วก็ขอในสิ่งที่เราอยากได้ เพลียนะครับผมจะได้สบายใจเพราะเมื่อวานเวลาไม่ทานนิกรมัดก่อนคุณนะขอดูายิ่งเยอะยิ่งดีโอเคนะครับข้าเระหมาดว่าเราติดชิมิเสร็ล้ว้ทมาทุอย่างที่มันมีละหมาดขอในการได้ได้หมดตลอดนะครับตลอดเลยก็คือเรื่องที่เราอยากได้ถ้ามีสักร้อยเรื่องขอไปเลยพันเรื่องขอเผื่อไปเลยเรื่องที่เรายังไม่อยากได้ตอนนี้ขอเผื่อไปก่อนครับเพราะนั้นดูายิ่งขอร้อยยิ่งัะตอนนี้ก็ผู้อ่านกุฎอ่านมาแล้วนะครับเรากําลังรอพอดีนะครับ วันนี้สุรัต์หรือลาฟิกเรชเดี๋ยวอ่านนำแล้วก็อ่านตามโอเคนะครับผมถ้าพร้อมแล้วก็เชิญเลยครับเดี๋ยวเรมขอมาขอมาขอมาอันนี้เป็นอ่ะไปผู้ชมทางบ้านเขาอยากตามอะไรอ้าอุบิลลาฮิมินะอิสอนิราชีม ب ิ سم الله الرحمن الرحيم لإلاف قريش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فاليعبدوا ْ رب هذا البيت ال الذي أطعمهم َُ ال <t ide> <t ide> <t ide> <t ide> من جوع وآمنهم ََُ من ْ خوف َ สามารถให้มากขึ้นไปอีกครับผม <S <S <S เดี๋ยวจะไม่ครบเซ็ตนะครับบางคนบอกเดี๋ยวจะดูไม่เรียบร้อยการใส่หมวกไม่ใช่บายิบนะสำหรับผู้ชายบอกไว้ก่อนเพียงแต่ว่าในเรื่องของการเรียนการสอนสมควรที่จะให้เกียรติกับความรู้ของล้อไะนั้นบางครั้งก็ต้องแต่งตัวให้ดูดีนิดนึ่งครับผมแต่ก็ใช่หมายคาไม่ได้ใส่ดูไม่ดีครับแล้วแต่ ถ้าเกิดว่าจะเอาขนาดนั้นใส้ไทยใส่อะไรก็ทำดีแล้วนะครับเอาที่ความสามารถเพราะเราไม่บังคับใครเกินความสามารถแต่ว่าอย่าถึงขั้นแบบใส่ผ้าขาวม้ามาเปยบานีแบบอันนี้มันเกินไปอันนี้เกินไปหนครับวันนี้เรามาพูดคุยในส่วนของซูร์โรย์ลีลาิกโรยในซูร์รนี้นะครับนักวิชาการส่วนมากมีความเห็นพ้องว่าความหมายต่อเนื่องมาจากซูร์รก่อนหน้านี้ก็คือซูรรตุฟฟี ไอเรามั่งชาเราเคยฝาฝาเราเคยเบยรซาบินฟิลแต่เนื่องจากการอธิบายกุรานของเราเราอธิบายแบบถอยหลังก็คือเราจาก114ขึ้นมาเพราะฉะนั้นเนื้อหามันอาจจะถ้าอยากจะรู้ว่าต่อเนื่องยังไงก็อาทิตย์หน้าค่อยมาปุยแจนิชามว่าประเด็นครับเรามาดูความหมายกันก่อนแล้วมาดูว่าเราได้สาระอะไรจากซูลอันนี้เพราะบางท่านอาจจะรู้สึกว่าซูลอันนี้ชื่อซูลอัลกูรชหมายถึงเผ่ากรุรชซึ่งมันฟังดูไกลตัวเราเหลือเกิน มันเป็นที่มันให่ตัวคือวันนี้เรายกย่องชาวกูริชแต่ว่ามันเกี่ยวอะไรกับชั้นแหละเดี๋ยวเราพูดคุยกันในวันนี้แล้วเราจะอิชชาละครับเราจะเข้าใจไปพร้อมๆกันว่าเมื่อสุร้อนนี้ถูกประทานให้กับชาวกูเริชมันเป็นหน้าที่สําหรับเราที่ว่าเราต้องรู้สึกดีกับสุร้อนนี้ในหลายๆมิติในหลายๆมิติแล้วก็สุร้อนนี้สื่อถึงพวกเราทุกคนด้วยต่อให้เราไม่ใช่ชาวอาร์ก เก ran, ี kan, w, oui. ่ยวข้องกับพวกเราทุกคนเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาค่อยๆดูกันนะครับดูความหมายทีละช่วงเราดูความหมายทีละวักก่อนเริ่มต้นสุรศัก์ครับพระองค์เราสุบฮานุหัวตาลาได้ทรงเริ่มสุรศัก์นี้ของพระองค์ด้วยกับคําว่าลีอีลาฟิกุไรชถ้าแปลตรงตัวแปลว่าเพื่อให้ความอบอุ่นเพื่อให้ความมั่นคงเพื่อให้ความสบายใจอุลฟะแปลว่าเป็นความ รู้สึกผูกพันควมรู้สึกที่แบบว่าสบาย อ, อกสบายใจไม่ลำบากไม่เดือดร้อนลีอีแลฟิกูไรชเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ชาวกูเรชลีอลฟลีอลฟิกรชเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ชาวกูเรชซึ่งรี่เพื่อในที่นี้เป็นเพื่อที่แสดงถึงความประทับใจทั้งหมดความยอดเยี่ยมที่พ่องล้อให้นั้นเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ชาวกูเรช นักวิชาการก็เลยบอกว่าขึ้นต้นมาอย่างนี้ความหมายเกี่ยวเนื่องกับสุราะ ก, ก่อนนั่นอายะที่2องพระละบอกไงครับอีลาฟิหิมในภาษาหลับเรียกว่าเป็นเตากีดเป็นการเน้นย้ำเพราะความหมายเหมือนเดิมอีลาฟิหิมเป็นการให้ความอบอุ่นแก่พวกเขาให้ความอบอุ่นแก่พวกเขาพระละได้ยกตัวอย่างในที่นี้ครับมี2เรื่องที่พระละให้ความอบอุ่นใจแก่ชาวกูรช สองเรื่องที่เขาไม่น่าจะได้รับมันแต่พวกอลอสเมตตาพวกเขาแล้วพวกอลอก็ได้ให้สองอย่างนี้กับพวกเขามีอะไรบ้างครับเลคัสเชียเตอิวส์ไลฟคือการเดินทางทั้งในหน้าหนาวแล้วก็หน้าร้อนการเดินทางในหน้าหนาวกับหน้าร้อนเดินทางอะไรยังไงเดี๋ยวเราคุคุยกันทีละที ดังนั้นท่านพ่อว่าเรื่องนี้จะเฉลยว่าไส้ฝั่งอย่บูดรบบะฮะดับบัยตดังนั้นพวกเขาทั้งหลายจงกราบไหว้คือจงทาอิบาดะต่อผู้ที่ดูแลบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้นหมายถึงบ้านหลังไหนครับกาบาพ อ, อกำลังพูดถ้าพูดถชาวูเรสพูดถึงบ้านหลังนี้พุจะเป็นที่รู้ทันทีว่าหมายถึงกาบะ ف ا ل ي ع ب ُُ ر ah um َ ب ّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطَعَمَهُمْ مِنْ شُوءٍ นี่คืออันที่สองที่พวกเัลเล่าให้กับเขาความโปรดปานที่จะเล่าให้กับชาวกรีทั้งหลายพวกเราบวาาดังนั้นพวกเขาจงกลาบหว้ต่อผู้ยุบาลของบ้านหลังนี้พเพราะองค์คือผู้ที่ให้อาหารแก่พวกเขาเมื่อเขาหิวหอยอามิช พูดใหอาหารแก่พวกเขาเมื่อพวกเขาหิวโหยว่าอามะนาหู ม, มินเขาแล้วก็ได้ให้ความปลอดภัยแก่พวกเขาให้รอดพ้นจากความหวาดกลัวอันนี้ก็กลับไปที่อันแรกให้ความอบอุ่นก็คือสองอย่างที่เาลาให้กับชาวกูเรชก็คือให้ความอบอุ่นให้ความมั่นคงกับการอยู่ในพื้นที่ที่เขาอยู่ทั้งๆ ท, ท, ที่เป็นพื้นที่ที่ไม่มีต้นไม้ไม่มีอาหารการความเป็นอยู่คือแรงแขน ไม่มีฐานะไม่มีผลผลิตไม่มีสินค้าขึ้นชื่อคือไม่มีโอท็ครับในมักกะไม่มีโอท็ไม่มีสินค้าจะส่งออกแล้วตอเรื่องอาหารการกินก็แทบจะไม่มีแต่พวกเราล็อให้ชาวเพอริอยู่อย่างมีความสุขเพราะนั้นพวกเราก็บอกว่านี่คือความเมตตาของเราที่ให้กับพระองค์เหมือนกับว่าจะมีคำถามเชิญได้เลยครับมีไปในไหนถามไหมครับทาไมแปลไม่ตรงกันเยี่ยมครับผม ลองขอชื่ออ่านที่อยู่ในหนังสือ น, นะครับผมไม่ได้แปลว่าเพื่อให้ความคุ้เคยครับผมก่อนอื่นนะครับผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าการแปลอัลกุรอานการแปลอัลกุรอานภาษาไหนก็ตามในโลกไม่ใช่เฉพาะแปลเป็นไทยนะครับผมการแปลอัลกุรอานโดยถอดความมาจากภาษาหลับที่พระอัลลอฮ์ได้ทรงกล่าวไว้ในคำพิกุรณ์ของพระ อ, องค์ เป็นภาษาใดก็ตามในโลกเป็นสิ่งที่เกินความสามารถของมนุษย์เกินความสามารถของมนุษย์คือพวกมนุษย์เนี่ยเราไม่สามารถแต่งสิ่งที่เหมือนกับคุรานได้ไม่ใช่แค่แต่งให้เหมือนแค่แปลก็แทบจะเป็นไปไม่ได้คําว่าแปลในที่นี้หมายถึงว่าการถอดความหมายตามที่พวกเราจะสื่อทั้งหมดเป็นไปไม่ได้เพราะถ้าเกิดเราสังเกตดูแค่วิชาเกี่ยวกับการอธิบายคุรานนะครับจะมีหนังสือชุดทับซีดเนี่ยเยอะมาก เยอะมากในโลกอิสลามถ้าจะว่าไปนี่คือมากกว่ามากกว่าหนึ่ล้านอันมากกว่า100ชุดคือเยอะมากแล้วก็แต่ละชุดนะครับถ้าเกิดเราดูเหมือนกับเวลาเราเรียนกับอาจารย์แต่ละท่านก็คือจะมีมุมมองที่ต่างกันคําอธิบายที่ต่างกันเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งที่ว่าเกินความสามารถอาจารย์ของผมเช็คยัตบัวครับผมเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญเรื่องของวิชาตัฟซีทท่านเชี่ยวชาญตัฟซีแต่ท่านสอนหนังสือชุดตัฟซีที่น่าจะยากที่สุดในโลกก็คือตัฟซีอินุกะซี ชุดนี้แปลอาลับเป็นอาลับก็คือเอากุรานมาอธิบายเป็นอาลับอีกทีหนึง่งหนามากแล้วก็สำนวนที่ใช้ในเล่มนี้ยากน่าจะยากที่สุดในโลกแล้วเชคคนนี้อธิบายได้อย่างแตกฉานเลยแต่ท่านบอกว่าไงครับหนังสืออัตถาที่บายทํานไม่บอกในสอกุรานะหนังสืออัตถาที่บายของเชคเอดมุกซีเนี่ยความลึกซึ้งของมันยากเกินกว่าความสามารถของผู้เรียนแล้วแม้แต่กระทั่งผู้สอน ขนาท่านเชี่ยวชาญขนาดนั้นแล้วท่านยังบอกว่าชุดอธิบายชุดนั้นมันยากกว่าความสามารถของท่านอันนี้แค่ทั้งสี่อธิบายแล้วเราดูว่าคําพูดของพรูอัลลาะห์เองยิ่งมีความลึกซึง้งมีมิติมีอะไรให้ความเข้าใจแบบลึกซึ้งมากเพราะฉะนั้นที่ผมปูมาขนาดนี้เพราะอยากให้รู้ว่าไม่มีกุรานแปลฉบับใดใดโลกที่สามารถถอดฟานจากกุรานได้ไม่มีเพราะนั้นบางกรั้ก็จะดู มันจะเหม่อนแตัวเปิ้ลครับเชฟนูกาซีนนี่คือเป็นสาลาเป็นชนรุ่นก่อนแล้วหนังสืออาธิบายของเปิ้ลชุดนี้นี่เป็นชุดที่ว่าได้รับการยอมรับจากนะักวิชาการทั่วโลกคือเรื่องของรายละเอียดเรื่องของความงดงามเรื่องของความยากทางภาษาแล้วก็อาจารย์ผมเปิ้ลเอาเล่อนี้มาสอ น, น, นมีความพยายามแปลเป็นภาษาไทยแต่ที่ผมฮู้แปลได้แล้วสิบยูสแปลได้ทั้งแปเลได้หมดเนี่ยังแปลได้แล้วเนอะ ไม่รู้ะนะคนนนนนรับยั ง, ยยงไงนะครับคื อ, อคื อ, อ, ค อ, อเอาปว่าถ้าเกิดว่าท่านเลยมีข้อมูลอัปเดตอัปเดตผมเมื่อกี้แต่ข้อมูลที่ผมรู้หลายปีละสองปีแล้วก็คือว่ามีการพยายามแปลหนังสือนิวคสีที่ว่านะครับแปลถึงยุคที่สิบ ไม่รู้ว่าจบเรียนถ้าจบแล้วก็ทําได้คือมันเป็นความพยายามที่ยากมากเพราะแม้แต่ผมเองก็ไม่สามารถแปลได้ทั้งหมดของอิตูกะซีดอะผมผมไม่แน่ใจว่าเสียอะไรตอนนี้ครับผมแต่ก็รอรุ้นอยู่แต่ถ้าเกิดว่าท่านลยมีโอกาสครับมีโอกาสลองเอามาศึกษาดูแล้วจะรู้ว่ากุฎาฎละเอียดขนาดไหนครับมีน้ำแรกครับ ก็ช่วงแรกกับช่วงแรก่ต้องถามตังห้องส ม, มุดตังใต้เหรครับผมส่นวนใหญ่เพื่อไปแรงแรงความฮุ้มอิสลามในประเทศไทยส่นยวนใหญ่อยู่มาตังใต้กับตังกรุงเทพนะครับผมเคยเคยเค ย, เคยหันมาบา่ายแต่ว่าเหมอือนแกได้ซื้อเพราะว่านาน า, นาดแล้วก็มีหลายเนี้ยมัยังมาจบเตืต้ตัว ครับงั้นประเด็นก็คือว่าเพราะฉะนั้นไม่ต้องแปลกใจครับอย่างถ้าเกิดเราดูแม้แต่กระทั่งฉะบับแปลภาษาไทยใช่ไหมครับจะเป็นของอาจารย์ต่วนจะเป็นของอแปลที่ว่าเป็นปลุกแดงจะเป็นของอะไรก็ตามถ้าเรามาดูสัมมวนจะมีความคาดเคลื่อนกันไปบ้างนี่คือเป็นความยากในการที่จะถอดมาเป็นภาษาไทยแล้วก็ในส่วนตัวของผมผมจะพยายามถอดให้ในส่วนที่ผมคิดว่าน่าจะเข้าใจง่ายที่สุดซึ่งอาจจะมีผิดมีถูกซึ่งก็วัลวะลำครับ อย่งโอเคนะครับผมคือสนุนอานแบบยากจริงว่ากันว่าน่าจะเป็นภาษาที่ยากอันดับสองของโลกว่ากันว่าอย่างนั้นแต่ส่วนตัวผมมองว่าเขาบอกภาษาของรัสเซียยากกว่ามีคนบอกผมว่าครับผมองเขาว่ากันผมก็ว่าไปต่อเพราะผมไม่ได้ทั้งไม่ได้ภาษารัสเซียไม่ได้ภาษายากๆกับภาษาจีนก็ไม่ได้แต่เรื่องความงดงามภาษาหลับเป็นภาษาที่งดงามที่สุดในโลกครับอันนี้คือมุสลิมเราเชื่อมั่นอย่างนั้นจากอักุรอาน อ่ะเดี๋ยวจะไม่จบประเด็นของเราวันนี้เรื่องของสุรา k u l i s มีประเด็นที่อยากจะพูดคุยกันเยอะงั้นที่ผมแปลกับที่อยู่ในเรื่องต่อหน้าอาจจะไม่เหมือนกันแล้วก็ผมมีฉบับแปลส่วนตัวแปลจบขยุสเดียวคขยุสอามาเนะครับไว้ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะมาแชร์คิดว่านะ่าจะใช้สำนวนที่น่าจะชัดเจนที่สุดเพราะว่ายุสสาเป็นยุสที่ผมหาฉบับแปลภาษาไทยที่เข้าใจง่ายเนะี่ยผมยังไม่เจอคือเข้าใจยากมากเพราะว่ายุสสามสิบพวกาใช้ศัพท์ น้อยแล้วความหมายเยอะค่อนขอ้างจะยากก็หวังว่าของผมจะเป็นทางเลือกอีกอีกชุดหนึ่งเอามาอ่างเปรียบเทียบกับเล่มของปาฏิที่มีอยู่แล้วเพื่อเป็นการเปรียบเทียบสร้างความเข้าใจในชาวว่าเมื่อพูดถึงคําว่ากูร์ครับเพื่อเป็นความอบอุ่นเ<ม><ม>พื่อเป็นความให้ความมั่นคงแก่ชาวกูร์เรชเนี่ยเรามาทําความเข้าใจกับชาวกูรเรชก่อนคําว่าชาวกูเรชเพราะถ้าเราดูครับในอัลกุรรานทั้งเล่มเผ่าพันธุ์ที่ว่าพระองคเอาละกล่าวไว้ในความหมายถึงความ ชมเชยการให้เกียรติการยกย่องมีเพียงเผ่ากูรชเผ่าเดียวที่มีในกุรานทั้งเล่มเลยที่เป็นตระกูลเนี่ยนะครับที่มีการสืบเชื้อสายเนี่ย น, นะที่ทั้งเผ่าเลยในกุรานมีแค่เผ่ า, ากูรชเท่านั้นเผ่ากูรชคือใครครับเร า, ารู้ใน Hadith Sittan Biyasalal ของ Ali ibn s u l a มพูดไว้มีบันที่ของอิม a m ม, มุสลิมกับในสังสือ Sahih บ, บ, บา n จากนั้นวัดดีละ bin al asqa رواه عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه و س ل ส إن الله استفى كنانة أن ورد إسماعيل เมื่อเราพูดถึงคําว่าตระกูลนะครับต้นตระกูลหรือว่าครอบครัวที่มีเกียรติที่สุดในโลกเราคิดถึงครอบครัวใครครอบครัวนบีอะไรครับก่อนก่อนนบีมุฮัมมัดนบีอิบรอฮิม เพราะว่าอับดุลเีมก็เป็นเชื้อสายของท่านก็คือเป็นคนในครอบครัวท่านอบีุลเบบีนั้นถ้าครอบครัวที่มีเกียรติที่สุดเนี่ยในโลกเนี่ยก็คือครอบครัววงวานของนบีอิบรอฮีมแล้วสายที่มีเกียรติที่สุดก็คือสายของนบีอิสมาอิลท่านอับดุลเลบีมุสลิมได้บอกว่าเชื้อสายที่อัลลอฮ์ให้ความโปรดปานมากที่สุดในบรรดาลูกหลานของอิสมาอิลคือเชื้อสายของกีนานะ นะก็เป็นลูกหลานคนหนึ่งของท่านอับดุสมาอินแต่ว่าหลานเหลีญคนเนี้ยเป็นคนที่ว่าผู้เอาล้อโปรดปานมากที่สุดในเชื้อสายของอับดุสมาออีกครั้งหนึ่งนะครับท่านอับดุลมัสลลอรอฮุยซัลัมได้บอกว่าผู้เอาล้อนะได้โปรดปานได้ให้ความการคัดเลือกเผ่ากีนานะเผ่ากีนานะคือใครก็ตามที่มีบ ร, รมเพารุษร่วมกันคือกีนานะ คืท่านกีนานาอาจจะมีลูกชายสีคน5คนกี่คนไม่รู้ออกแต่งงานไปมีลูกหลานทั้งหมดที่มีบัมพระรุ่ร่วมไปกีนานะเนี่ยอยู่ในตระกูลที่อัลลอฮ์คัดสรรหลังจากนั้นท่านนาบีพูดต่อว่าไงครับแล้วในบรรดาเชื้อสายในเผ่ากีนานะเนี่ยเผ่าที่อัลลอฮ์ให้ความโปรดปรานมากที่สุดในตระกูลนี้คือตระกูลกุไรช์เรากองมาเรื่อยๆนะครับเชื้อสายนาบียบรฮีมาที่อสมาอิน ในมลายเียมทั้งหมดกองมาเป็นกินานะในกินานะทั้งหมดกองมาเป็นกูรชแล้วก็ในบรรดากูรชอัลลอฮ์คัดสรรมาที่อัลลอฮ์โปรดปานที่สุดก็คือบานูฮาชิมบานูฮาชิมก็เป็นลูกหลานของกินานะอีกทีแล้วก็ในบานูฮาชิมครับคนที่อัลลอฮ์โปรดปานมากที่สุดก็คือท่านอบีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็แปลว่า ด, ด, ด, ด, ดีของดีของดีของดีของดีที่สุดในโลก ดีของดีของดีของดีของดีที่สุดในโลกนี่คือท่านอบีมุมฮัมมัดลสุลมแล้วท่านอับีลได้พูดต่อว่าไงครับฝ่าอาเนสัยยิดุวะละดะดัมวะลาฟะและฉันเป็นนายของลูกหลานอาดัมทุกคนและฉันไม่ได้พูดด้วยความโอ้อวดท่านอบีพูดย้ำไว้คือมันเป็นข้อเ ท, <boring> ท็จจริงที่ท่านอบีต้องให้พวกมสุสลิมเราเป็นความเชื่อพื้นฐานาของมสุสลิมเราที่เราต้องเชื่อามั่นว่าท่านอับดุลโมฮัมมัดมาเลย์สุลามเป็นคนที่อ และแม้แต่ตัวท่านอบีเองท่านก็ต้องป้องกันความโอ้อวดท่านก็ย้ำกับพวกเราว่าฉันเป็นนายของคือคนที่ดีที่สุดในหมู่ลูกหลานของอาดลอแต่ฉันไม่ได้พูดเพื่อเป็นการอวดอ้างเพื่อเป็นการโอร้อวดว่าอาลวาลูมันตังชักผูอันหุลอาบและฉันเป็นคนแรกที่จะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาคือถูกออกมาจากหลุมศพอะครับท่านอับดุลเบียร์มุสลิมอัลสลามจะเป็นคนแรกที่ถูกฟื้นมาจากหลุมศพ ประเด็นสีรับตรงนี้ผมขอข้ามหลังจากนั้นก็และฉันจะเป็นคนแรกที่เอาละให้อนุญาตให้ออกตัวแทนคนอื่นได้ให้ใช้เส้นได้ก็คือถึงเวลาท่านนบีจะใช้เส้นให้กับประชาชาติของท่านคือขอให้เอาละเห็นแก่นบียกโทษให้พวกเราด้วยนี่คือการออกหน้าของท่านนบีที่เรียกว่าฉาฟะท่านนบีบอกว่าฉันเป็นคนแรกที่จะได้สิทธิ์ในการให้าฟาฟะผู้อื่น แล้วฉันก็จะเป็นคนแรกที่อัลลอฮ์รับฉาฝะและบุคคลมหาบุรุษคนนี้ท่านนี้คือรอศูนของเราคือศาสดาของเราคือศาสนาทูตของเราผู้ที่รักเราทาั้งๆที่พทงทั้งทั้งที่ท่านนั้นไม่เห็นเราเพราะฉะนั้นนี่คือความเมตตาที่เราต้องขอบคุณอัลลอฮ์ให้มากที่อัลลอฮ์เมตตาเราให้เราได้มีโอกาสได้อยู่ในประชาชาติของนบีที่ประเสริฐที่สุด เป็นประชาชาติที 1941, ่แม้แต่นบีอิสยายังอยากอยู่ในประชาชาตินี้เพราะท่านนบีอีซารู้ว่าประชาชาติที่ดีที่สุดไม่ใช่ประชาชาติของท่านแต่เป็นประชาชาติของเนบีมูฮัมมัดสุลอานวะเลสซัลลัมซึ่งก็ว่ากันว่าท่านนบีอีซาก็ขอดัวให้ได้อยู่ในประชาชาตินี้แล้วอัลลอฮ์ก็รับเพราะฉะนั้นท่านจะได้ลงมาอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมท่านยังไม่เสียชีวิตท่านจะได้มาอีกครั้งในดุลยาแล้วก็มาเป็นอุมม่าของท่านยูมัสลลัมวะลสซัลลัม ก็คือใช้บทแบบฉบับใช้คําสอนของท่านอับดุลลาห์อะไรว์ประเด็นครับเมื่อเราพูดถึงเผ่ากูเรชเนี่ยท่าน อ, อับดุลลาห์อัลลอฮฺอะลัย์อะลัยลัยได้พูดถึงความประเสริฐของชาวกูเรชไว้ผมต้องย้ําในที่นี้ว่าทําไมผมถึงต้องมาพูดถึงความประเสริฐของชาวกูเรชเพราะมันเป็นพื้นฐานการศรัทธาของมุสลิมที่เราต้องศรัทธามาตรฐานตามนี้เพราะปัจจุบันจะมีกระแสะเกียรติชัง ประเทศซาอุดิอาระเบียมากขึ้นเรื่อยๆถูกไหมครับจะมีกระแสะเกตชังมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะผู้ปกครองเดี๋ยวเราจะมาสรุปกันว่าตกลงเราต้องมีความรู้สึกอย่างไรกับผู้ปกครองของคนที่ได้เชื่อเป็นผู้ปกครองของโลกมุสลิมอย่างในประเทศซาอุดิอาระเบียเราจะมาดูว่าความเชื่อพื้นฐานมุสลิมเราต้องมีอากีด้าอย่างไงพูดถึงอากีด้าเลยนะครับมาดูฮาริสแบบนี้กันครับ จท่อุมฮานีบินติอบีตาลิบอันรัรรรลลรนบุลลาลุะลิะลมกลาวฟัตดลลัลลอฮกุรชบับิลลเพราะองค์อัลลอฮ์นั้นได้ให้ความโปรดปานแก่ชาวกุเรชรถึงเจดอย่างด้วยกันมีความโปดปานอยู่เจอย่างที่พรองค์อัลลอฮ์ให้กับชาวกุเรชรซึ่งถ้ารวมกับฮะดิษอีกบทหนึ่งที่ผมจะพูดมีอยู่8ดอย่างที่ว่าเป็นความโปรดปานที่อัลลอฮ์ให้กับชาวกุเรชรเท่านั้น ไม่ได้ให้กับชนอื่นีในดิสมนี้ท่านนบีพูดไว้เจ็ดอย่างมีอะไรบ้างครับอันแรกที่พมอลล้อปวดปานชาวกุเรชมากกว่าชาวอื่นมากกว่าตระกูลอื่นอันแรกก็คือท่านนบีมูฮัมมัดสลาลฮอฺอัสซาลามนั้นเป็นคนในตระกูลนี้นี่คือความปโปวดปานของมอลล้วก็คือให้ตระกูลนี้ได้มีทายาทที่เป็นคนที่ประเสริฐที่สุดในโลกที่มอลล้อรักมากที่สุดอันแรกคือนบีอยู่ในนี้นะ อันที่สองครับมาขยายความจากอันแรกก็คือมีการแต่งตั้งนบีในเสื้อสายนี้ต่างกับข้อแรกยังไงจริงๆข้อสองต้องมาก่อนมีการแต่งตั้งนบีแล้วก็เป็นนบีที่ประเสริฐที่สุดในอุมมานในโลกนบีที่ประเสริฐที่สุดในโลกแต่ถ้านาบีเรียงแบบนี้เราก็เรียงตามนี้ก็คือท่านนบีบอกว่าข้อแรกฉันเป็นฉันเกิดขึ้นในหมู่พวกเขา อันที่สองมีนบีเกิดขึ้นในหมู่พวกเขาอันที่สามเขามีสิทธิ์ฮิจาบะฮิจารบาหรือว่าในภาษาหลับโลกซีดานะก็คือมีสิทธิ์ในการบริหารดูแลกาะบาะเป็นผู้ถือกุญแจใช่ไหมครับสืบทอดมาตั้งแต่สมัยนบีอิสมาอินแล้ลูกหลานของบีอิสมาอินทั้งหมดก็คือคนที่มีเชื้อสายดีที่สุดคนที่ดีที่สุดประเสริฐที่สุดในกลุ่มจะได้ถือกุญแจกาบาแล้วก็มีหน้าที่ในการเปลี่ยนผ้าคลุมกาบา อย่าที่เราทราบก็คือผ้าคุมกาบาจะมีการเปลี่ยนทุกปีปีละครั้งซึ่งก็ใช้ผ้าคุณภาพดีที่สุดเท่าที่จะหาได้มีการดิ้นทองซึ่งแต่ละปีถ้าเกิดถามว่าคุมเสร็จแล้วเอาไปทําอะไรต่อก็ถึงเวลาถ้าเสร็จแต่ละปีเขาก็จะตัดเป็นชิ้นเล็กๆ เ, เอาเป็นของขวัญให้กับแขกที่มีเกียรที่เขาจะเลือกเองนะครับผมไม่มีโอกาสนะครับผมยังยังไม่ถึงขั้นนั้นอ่ะสามอันอันที่สี่อัสซีกา เขามีสิทธิใออท์ในการเลี้ยงน้ําฟังดูจิตบจอยอะไรเลี้ยงน้ําเขามีสิทธิ์ในการเลี้ยงน้ําให้กับผู้ที่มาแสวงบุญณบ้านของอัลลอฮ์ซึ่งเป็นตําแหน่งที่มีเกียรติมากที่สุดแล้วเพราะการให้ความช่วยเหลือคนคือสิ่งที่อัลลอฮ์รักการให้น้ําคนที่หูโหยคือสิ่งที่อัลลอฮ์รักแล้วนี่เราคิดถูว่าให้น้ํากับ คนที่ตั้งใจมาทําอิบาดะที่สูงที่สุดในการเป็นมุสลิมคือการทำฮัทหรือว่ามาทําอุญร้อยได้มีโอกาสเลี้ยงน้ําคนเหล่านั้นถือว่าเป็นเกียรติยศขั้นสูงสุดแล้วมาดื่มน้าซ ำ, ำ, ำ, ำๆด้วยครับแต่ว่าหมายถึงว่าไม่ได้จบประเด็นแค่น้ำำําซำๆแต่เจาะประเด็นว่าเขามีความสามารถที่ว่าจะได้ให้น้ํากับคนที่มาแสวงบุญมาเลี้ยงน้ําให้คนแสวงบุญเพราะถ้าเกิดยังเราสังเกตเวลาไปทำฮัทไปทําอุญร้อยใช่ไหมครับอย่างในเขติฮารอมเนี่ย จะมีน้ำตั้งทุกจุดเลยก็คือสามารถกินได้น้ําเย็นอีกตั้งหากแล้วก็มีความอร่อยแล้วก็มีการจัดบริหารระบบที่ว่าน้ํากินได้เรื่อยๆไม่มีหมดอันนี้เฉพาะชาวกูเรชเนี่ยมักก้คะรับผมชใช่ปะเนี่ยมเพราะว่าบ้านของอัลลอฮ์ที่ได้เชื่อเป็นบ้านหลังแรกคือกาบ้านะครับเพราะฉะนั้นกับะดิสวันนี้คือจำเพาะว่าชาวกูเรชมีสิทธิ์ในการที่จะเลี้ยงน้ําให้แก่คนที่มาแสวงบุญ อันนี้สี่อันแล้วเนาะอันหมายถือว่านี่เฉพาะคนมาแสวงบุญในสุเราในมัสิทารอมในมสิทธารอมครั บ, รรบข้างนอกมเมื่อกี้ครับผมอันต่อไปครับอันที่ห้าที่ทนายวัสดลองในสลัมบอกไว้ว่าแล้วพรกอัลลอ์น่ะได้ช่วยเหลือพวกเขาให้รอดพ้นจากกองทัพชา้าง ก็คือซูร์ร์ก่านหน้านี้ที่เรายังไม่ได้พูดคุยกันก็คือเป็นการทาสงครามที่ว่าไม่ปิดประตูชนะเลยคือไม่มีทางชนะแต่กับชนะโดยที่ไม่ตังลบชนะโดยที่ไม่ตังลบมีประเด็นที่จะคุยกันครับว่าอันนัฮุมอับดุลลอฮฺอัลลอวะเจลลาอัลลอฮ์สินียบูดุฮฺไกรฮุมท่านเบียบุสลัยละฮ์บอกว่าแล้วมียุคสมัยหนึ่งมียุคสมัยหนึ่ง ที่กินระยะเวลาสิบปีมียุคสมัยหนึ่งที่กินระยะเวลาสิบปีที่ไม่มีใครกลบไหวอัลลอฮ์เลยนอกจากพวกเขาคือถ้าเกิดว่าเราศึกษาในคุรานนะครับเราจะพบว่าตั้งแต่ยุคสมัยท่านอับยาดัมไม่มียุคไหนเลยที่ไม่มีใครกลบไหวอัลลอฮ์ คือทุกยุคทุกสมัยต้องมีถึงแม้จะเป็นคนส่วนน้อยแค่ไหนก็ตามต้องมีคนก่าฒ่าล้ออย่างยุคนบีรุตต่อให้คนชั่วร้ายมากแค่ไหนก็ตามแต่ก็ยังมีคนก่าฒ่าล้ออยู่แล้วท่านนบีอัลลอฮฺสัลลัลลอฮฺสะลาห์บอกแกเราครัว่าในหน้าประวัติศาสตร์ของโลกอะมีช่วงระยะเวลา10ปีซึ่งไม่รู้สิปีไหนแต่เป็นสิปีที่ว่าทั้งโลกแม้แต่กระทั่งคริสแม้แต่กระทั่งยูแม้แต่ใครก็ตามไม่มีใครแก่เฒ่าล้อเลย แบบที่ถูกต้องอ น, นะครับไม่มีใครกแกะว้เอาล็อตแบบที่ถูกต้องเลยนอกจากชาวกูเรชเท่านั้นมีสิบปีแต่ว่าสิบปีไหนนะั้นมีไม่ได้บอกอันนี้ถือว่าเป็นเกียรติยสูงสุดเกิดขึ้นแล้วอันนี้คือเกิดผ่านมาแล้วผ่านมาแล้วแต่ท่านรบีป้าไม่ได้บอกว่าสิบปีไหนครับสิบปีเมื่อไใดครับแต่ก็คือต้องนับตั้งแต่ตั้งที่มีตระกูลกูเรชนะครับหลังจากนั้ น, ะนะครับ و َ أ َนَّ اللَّهَ อัน زل فيهم سورة من القرآن ثم تلاها رسول ا ا ه ا ا ر ح ي م و ل ى ا ل ل ص ي ف ل ب د سبائ ال ل ذ ي أطعم من شو ن م الخوف คุณลักษณะสุดท้ายที่พวกเราให้ความโปรดปานแก่ชาวคุรชคือและพระองค์ได้ประทานสุรสมาหนึ่งบทเต็มๆให้กับพวกเขานั่นก็คือสุร์คุรชนี้ครับผมดิสนี้เชคกลบหนีวปอีนะครับผม ทีนี้ครับประเด็นที่ว่าจำเป็นจะต้องพูดคุยก่อนการศรัทธาพื้นฐานของมุสลิมผมบอกว่าในฮะดิสนี้พูดเจ็อย่างใช่ไหมครับแล้วก็มีที่ท่านบีพูดถึงความประเสริฐของชาวกุริชอีกอย่างหนึง่งท่านบีมูฮัมมัดสลลัลฮวลสลามได้พูดไว้ว่าอัลอาอิมมะตุมินกูรอยชินคนที่จะเป็นผู้นำสูงสุดของมุสลิมได้ต้องเป็นเชื้อสายกุรชเท่านั้น หมายถึงท้าว่าโลกอิสลามจะมีผู้นําสูงสุดท่านอับดุลเลาะห์อัสสลามกําหนดไว้เลยว่าคนคนนั้นต้องสืบเชื้อสายกุเรชเท่านั้นซึ่งอย่างที่พวกเราทุกคนรู้กันก็คือว่าช่วงวันสิ้นโลกใช่ไหมครับเราเรอคอยการปรากฏตัวของท่านอบีเอาะห์อัสสามครับของอิหม่ามมาฮีซึ่งอิหม่ามมาดีก็คือผู้ที่สืบเชื้อสายของท่านอับดุลเลาะห์อัสสลามและเป็นชาวกุเรชเป็นชาวกูรชิชแปลว่าผู้นําสูงสุดต้องเป็นชาวกุเรชเท่านั้น และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเหตุการณ์หลังจากที่ท่านนบีมุสลิมเสียชีวิตพอท่านนบีเสียชีวิตใช่ไหมครับชาวมุฮัจญิกับชาวอันซอรก็มีการถกกันว่าใครควรจะเป็นผู้ปกครองต่อหลังจากท่านนบีแล้วเมื่อท่านอบูบัหยิบยกประเด็นฮัลิสนี้ขึ้นมาว่าพวกเรานั้นต้องเป็นผู้นําในขณะที่พวกท่านนั้นจะเป็นเสนาบดีใหญ่ผู้ให้ความช่วยเหลือมันดาคาริสซาฮาบะที่ได้ยินท่านก็เหมือนกับว่าเพิ่งมึง เพิ่งคิดออกบอกเออใช่ท่านรบียเคยบอกไว้เพราะฉะนั้นทั้งหมดก็เลยเห็นท้องในการแต่งตั้งท่านอบูบักให้เป็นควาดิฟ้าผู้ปกครองคนแรกของรัฐอิสลามหลังจากการเสียชีวิตของท่านรบีมูฮัมมัดสุลต่านอัลลอฮ์อัสสลามด้วยมติเห็นท้องที่เรียกว่าเอกฉันเลยเอกฉันอันนี้คือมุสลิมเราเชื่อมั่นอย่างนี้แต่ถ้าเกิดจะมีกลุ่มไหนบอกว่าไม่ใช่มติเอกฉันเรื่องของเขาละนี่คือสิ่งที่เอาล้อให้เป็นความประเสริฐแก่ชาวกูรช แล้วทนี้ยังไงต่อครับท่านนบีมศสมุอัสลามได้พูดไว้ครับว่าก็อดดีมูกรชันวลาตุกัดดีมูฮวลาตุกัดดมูฮวะลาอุลอันตบตีรอรชันลกบตฮาบมาลฮอินดะลอพวกขั้นทั้งหลายจงให้เผากุรชเนี่ยจงยกย่องเขาคือจงให้เกียรติเขาคือจงให้เขานำกลุ่มอื่น พวกท่านทั้งหลายจงให้เผ่ากุเรชนำกลุ่มอื่นแล้วก็อย่าได้ไปนำเผ่ากุรชท่านอบดุลียสสุสมพูดต่อว่าไงครับถ้าฉันไม่กลัวว่าคนในหมู่ชาวกุเรชจะหลงและเริงฉันจะบอกให้พวกท่านรู้ถึงสิ่งที่ว่าอาลัลลอฮ์เนี่ยให้เกียรติชาวกุรชแค่ไหนแต่ท่านอบีไม่ได้บอกเพราะกลัวพวกคนที่สืบเชื้อสายกุรชกลัวว่าเขาอาจจะหลงและเิงกับตําแหน่งนี้ ครั้งนี้ต้องคุยให้เคลียร์นะครับมีประเด็นหลายประเด็นที่ต้องให้เคลียร์งั้นตอนนี้ที่เรารู้ก็คือเรารู้แล้วว่าพกรกอัลลอฮ์เนี่ยให้เกียรตเผ่ากุเรชและวท่านอับดุลลาห์มั ส, ล, สลัมก็ย้ําว่าเราจะต้องให้ชาวกุรรชนำเผ่าอื่นฮะดิษทั้งหมดที่พูดมานี้ไม่ใช่หมายความว่าชาวกูเรชมีแต่คนดีเข้าใจตามกันนะครับ ไม่ใช่หมายความว่าชาวกุลชิชมีแต่คนดีในชาวกุลชิชก็มีทั้งคนดีผู้ศรัทธาแล้วก็คนที่เป็นผู้ปริเสธิศรัทธาการที่เราให้เกียรติก็คือให้เกียรติเฉพาะผู้ศรัทธาที่เป็นคนที่ดีอันนี้ชัดเจนนะครับอ่าชัดเจนทีนี้เมื่อเรามาดูถึงอย่างสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันนะครับผมจะมีการความพยายามที่จะสร้างกระแสเกียรติทางประเทศซาอุดีอาราเบียนี่ผมต้องพูดให้ชัดผู้ปกครอง เชื้อสายกูรชเราไม่ได้บอกว่าเราจะเห็นด้วยกับทุกสิ่งที่ผู้ปกครองทําคือถ้าเป็นสิ่งที่ผิดเราก็ต้องประกาศว่าผิดผิดก็คือผิดในไม่สามารถเปลี่ยนบทบรรญัติของล้อไม่ได้ผิดก็คือผิดแต่ต่อให้เขาทําผิดมันก็ไม่ใช่เหตุผลในการที่เราจะลดสถานะของกูรชลงก็คือผู้ปกครองกาบาผู้ปกครองฮารอมยังไงก็ต้องเป็นเผ่ากูรชเท่านั้น เขาเดี๋นี้มีความพยายามเหมือนกัว่าพอเกียรติสูมากๆมันมีพฤติกรรมชั่วร้ายเยอะแล้วล้มล้างอำนาจแล้วก็ไปเอาประเทศอื่นมาปกครองแทนให้มาดูแลบริหารกาบาแทนตามอากีดาของอลุซนาเบนชามาถือว่าไม่ได้ผู้ ด, ดูแลบริหารกาบาต้องเป็นตระกูลกูเรชเท่านั้นครับเพราะนั้นต่อให้เมื่อมีเรื่องไม่ดีเรื่องไม่ดีเราไม่ยอมรับ แต่ในส่วนที่เป็นสิทธิของเขาแล้วก็ไปลดทอนสิทธิของเขาไม่ได้เหมือนกับที่เรากล่าวในกุรอานว่าเวลายะชีมันนะกุมชนาอนุเกลมินอัลอัลอลาติลูยะดีลูฮุอะกรบุลิกักว่าอย่าให้ความโกรธเกลียดที่เจ้ามีต่อใครเป็นเหตุให้เจ้าไม่ยุติธรรมต่อเขาแปลว่าต่อให้เราจะเกลียดใครไม่ชอบใครอัลลอฮ์สั่งว่าเราต้องมีความยุติธรรมเพราะธรรมชาติของคนเราใช่ไหมครับถ้าเราเกลียดใครเราก็ต้องรดสถานะเขาหน่อยละ จะมีการรังเอียงใหม่เราจะเอียงไปทางคนที่เรารักคนที่เราชอบเพราะฉะนั้นเรื่องของแสลนารประเทศซาอุดิอาระเบียเครียนะครับชัดเจนเนาะเป็นคําสั่งจากนบีเลยนะครับจากข้าพรนบีมัสลิลลอของอะเลาะฮ์ซาลัมเพราะฉะนั้นจุดยืนของมุลินมาต้องระวังตรงนี้เรามาเข้าไปรเด็นของเราครับในเรื่องของซุลตานีลาฟิกโรชในเรื่องของซุลตานีลาฟิกโรชนะครับ ละบอกว่าเพื่อเป็นความอบอุ่นให้แก่ชาวกูเรชซึ่งอย่างที่บอกว่านี่นแสดงถึงความเมตตาที่ละมีให้แก่ชาวกูเรชแล้วกับมนุษย์ทุกคนบนโลกว่าต่อให้เขาเหล่านั้นจะอยู่ในสถานะที่ไม่น่าจะมีความปลอดภัยในชีวิตได้อัลลอฮ์ก็เป็นผู้ให้ลิสกีแล้วก็ให้ความปลอดภัยในชีวิตแก่เขาเพราะชาวกูเรชถ้าเราสังเกตดูะครับเป็นเพียงแค่เผ่าเล็กๆที่อยู่ในหุบเขา ที่อยู่ล้อมรอบด้วยกับประเทศมาหาอำนาจแถมที่สำคัญประเทศเล็กๆอ่กลุ่มเผ่าเล็กๆเนี่ยไม่ใช่ประเทศได้ยสัมนะครับกลุ่มเผ่าเล็กๆนี้กับมีศูนย์รวมจิตใจของคนทั้งโลกเพราะว่าแม้แต่ชาวกัมพีในยุคไอริตเขายังมีข้อมูลของอิสลามหลงเหลืออยู่ถึงเวลาเขาก็จะมาสแสวงบุญที่มกักกะ ซึ่งปเป็นประเด็นที่ว่าทำไมกษัตริย์อับบราฮัถึงว่าจะยกกองทัพมาถล่มเนี่ยประเด็นมาอยู่ตรงนี้ก็คือเพราะว่าในชาวกเรสันมีบ้างของลอมีการ์าที่ว่าใครๆก็อยากมาเราลองคิดดูครับมีเมืองเล็กๆที่ว่ามีจุดศูนย์กลางที่คนทั้งโลกอยากจะมาถูกลายล้อมด้วยกับประเทศมหาอำนาจแต่เมืองนี้กลับไม่โดนถลม่มถ้าเราคิดถึงสมัยนี้ครับ ถ้ามีเมืองที่มีคุณลักษณะแบบนี้โดนถล่มแน่นอนประเทศมหาหามาต้องอยากได้ใช่ไหมครับเพราะว่าถือว่าเป็นอู่ข้าวอู่น้ําถือว่าถ้าเกิดคลองได้นี่คืออำนาจอยู่ในมือแล้วแต่นี่คือความเมตตาของล้อคืออยู่มีอียิปต์อย่างเงี้ยครับเอธิโอเปียอย่างเงี้ยชามซีเดียเปอร์เซียแต่และประเทศนี้มหาหาม า, าทั้งนั้นเลยแต่ว่าประหามอำนาจทั้งหมดเลยเห็นพ้องต้องกันว่าเราจะให้เกียรติผู้คนที่มาจากุเช คือสมัยก่อนมีการเดินทางเดินทางไประหว่างจากเมืองใหญ่ๆผ่านเมืองอมักกะเนี่ยครับผ่านมักกะเนี่ยเวลาถ้าเกิดเขาเจอชาวกูเรชบางทีถ้าเกิดว่าเป็นคนที่ว่าป้นสะดมนะครับเหล่ากุตโตตาริคเนี่ยบางทีที่ว่าพวกคนป้นสะดมเนี่ยถ้าเกิดเขารู้ว่าคนที่เขากําลังป้นเป็นชาวกูเรชเขาจะไม่ป้นเขาจะปล่อยคือลึก ใ, ในใจเขาถือว่าเราจะให้เกียรติแก่คนของอันหรอ บางเมืองเรียกชาวกูเรชว่าเป็นชนเผ่าของพระเจ้าคือให้เกียรติขนาด น, นั้นนี่คือความเมตตาของลอเทกับชาวกูเรชแล้วแม้กระทั่งชาวกูเรชเมื่อถึงเวลาเขาต้องเดินทางถามว่าทำไมต้องเดินทางครับเพราะอย่างที่ผมบอกตอนแรกชาวกูเรชไม่มีอะไรเลยนอกจากทรายนอกจากภูเขาหินน้ํำจาๆแล้วก็อาจจะมีหน้าผามำเล็กน้อยไม่มีอะไรเลยเพราะฉะนั้นเขาก็เลยต้องมีการเดินทางเพื่อหาดสกี้ปัจจัยยังชีพ ก็คือถึงเวลาใช่ไหมครับเมื่อถึงเวลาฤดูหนาวฤ ด, ดูหนาวเขาก็จะหนีหนาวไปเมืองร้อนหน่อยก็คือเขาก็จะลงไปทางใต้ไปเมืองเ ย, ยเมนเยเมนลงไปทําธุรกิจเยเมนก็คือแปลวสินค้ามาแล้วก็ไปทําธุรกิจเอาไปขายต่อเนต์อิชิตะอิวัตสไยพอถึงเวลาหน้าร้อนปุ๊บเขาก็ไปทางชามไปทางซีเดียไปทางอี๋ละเริ่มตั้งแต่พาวกูรสเลย เากูเรซึ่งเป็นบัมบูรุดของท่านนบีมัสตาร์ลอิสลามนับไปประมาณสิบรุ่นประมาณสิบรุ่นคร่าวๆซึ่งาการที่เกียร์นี้เกิดขึ้นจะใดเดียวค่อยๆอยูอนะครับผมคำว่ากูเรสเนี่ยมาจากไหนที่นั่นถึงถูกห้องว่ากูเรสนักวิชาการมีความเห็นต่างกันประมาณษาษาสามทศนะวันนี้เนื้อหานักหน่อยนะครับเพราะมีส่วนของประวัติศษาสตร์นักหน่อยของกูเรสมีที่มาของความหมายอยู่สามชื่อ ทัศนแรกมองว่าคําว่ากรุไรชเนี่ยกรุชา ah เนี่ยแปลว่ามารวมกันหลังจากที่แตกกันหลังจากที่ต้องแยกย้ายจากกันไปคือเผ่ากุไรชนะครับที่ว่าสืบเชื้อสายมาจากกีนานะเนี่ยเมื่อก่อนเขาอยู่กระจัดกระจายอยู่กระจัดกระจายอยู่เล่ยลอนแล้วก็เมื่อถึงเวลาผ่านไปยุคหนึ่งปุ๊บเขาก็มารวมตัวกันอยู่ที่กาบาอีกครั้งหนึง่ง เขาก็เลยเรียกเตียงว่าเป็นกูเรสคือเผ่าที่ว่ามารวมตัวกันหลังจากที่แยกกันไปอันนี้ขัสนะแรกบอกว่ากูเรสมาจากความหมายว่ามารวมกันหลังจากที่แยกไปทัสนะที่สองครับบอกว่ากูเรสหมายถึงผู้ที่ทุ่มเทให้กับการทําธุรกิจผู้ที่เชี่ยวชาญกับการค้าขายครับก็คือชาวกูเรสอย่างที่บอกว่าเขาไม่มีอะไรเลยเขาก็เลยเหมือนกับถูกบีบให้ต้องทําเรื่องของการธุรกิจ แล้วก็เขาก็ทําได้อย่างดีก็เลยมีถนานะมั่งคั่งดิบการค้าขายข้อหมายที่สมครับของกูรเรชว่ากันว่ามาจากคําว่าฉลามกิรชุนภาษาอลาปแปลว่าฉลามก็คือคนอลาปอะครับเขาจะชอบเปรียบเทียบชอบเปรียบเปยคุณมีความกล้าหาญเหมือนกับสิงโตอหน้าคนสวยเหมือนกับดวงจันทร์สวยเหมือนดวงจันทร์นี่ไม่ใช่มีสิวเยอะนะคือเมื่อก่อนถ้าเปรียบเทียบกับดวงจันทร์คือหน้าเงียนทอง ไม่ใช่น่าเป็นหลุมปัจจุบันนี่รู้เยอะก็เลยบอกว่าเปรียบกับดวงจาจได้คิดแรกเป็นหลุมครับเวลาเปรียบกับฉลามหมายถึงว่าเป็นคนเป็นตระกูลที่แบบว่าดุดันเข้มแข็งคือถึงเวลาสู้ก็สู้จริงๆบุกกระจูยโจมเลยเหมือนฉลามใช่ไหมครับได้กินเลือดปุ๊บก็บุกไปเลยก็เลยได้รับเรียกเป็นฉ า, ายาของเผ่ากุริชพอเริ่มเหนภาพนะผมกับแปรวิซี่พูดตั้งแต่ตอนแรกที่เริ่ม พวกลได้คัดสรรเลือกเฟนจากตระกูลของอิสมาอินก็คือกีนานะจากในเผ่ากีนานะก็คือกุเรชจากกูเรชก็คือบรนณูฮาชิมจากบรรูฮาชิมก็คือท่านเบียร์มัสล ล, ลัลฮ์ห้องอะไรอย่างนีหมสันลักครับผมคงไม่ได้มานั่งไล่ไลเชื้อสายแต่ก็คือว่าเพราะความที่ชาวกุเรชอยู่ในแผ่นดินฮารอมแผ่นดินต้องห้าม แล้วก็คนที่มาสแสวงบุญเนี่ยมีมาตั้งแต่ยุค ข, ของอะบีอิบบรฮิมเนี่อย่างที่เรารู้ก็คือหลังจากที่สร้างเสร็จปุ๊บ ก, ก็มีการมาละหมาดเริ่มมาใช้การละหมาดแล้วยุคท่านอบดุลเบบรฮิมยุคลูกหลานก็มีการละหมาดไปเรื่อยคนก็รักฮารอมแล้วพอรู้ว่าชาวกุเลสเนี่ยสืบเชื้อสายมาจากอิสมาลเบิมจากสายตรงเลยเป็นผู้ที่ทําหน้าที่ดูแลกาบาเป็นผู้ที่ถือกุญแจการให้เกียรติก็เลยเกิดขึ้นทั้งอย่างที่อาจารย์ถามว่าการให้เกียรติเริ่มขึ้นตอนไหน ว่าเราว่ารามครับเริ่มขึ้นตั้งแต่สมัยท่านนบีอิสมาอินตั้งแต่สมัยนบีอิสมาอินหมายความว่าอย่างไงหมายความว่าอย่างที่เรารู้ก็คือในแผ่นดินฮารอมตอนนั้นเนี่ยไม่เคยมีใครอาศัยอยู่ก่อนเพราะเป็นเมืองแห่งความตายใช่ไหมครับเจอท่านว่าท่านหญิงฮารจัดถูกเอามาปล่อยไว้กับท่านนบีอิสมาอินแล้วท่านหญิงฮาร์จัดก็ค้นพบน้ํำซำๆจริงๆไม่ใช่ค้นพบเอาเราให้มีน้ําซำๆโผล่ขึ้นมาเกิดขึ้น แล้วท่านหญิงฮาจัดกับนบีอิสมาอินเป็นผู้ค้นพบน้ำซำซ้ๆคนแรกตามกฎของชาวทะเลทรายคนเดินทางในยุคนั้นใครเจอแหล่งน้ําไหนก่อนเขาเป็นเจ้าของแหล่งน้ำนั่นทวอย่าง น, นั้นพอกองคารวานที่มาในภายหลังเห็นว่าท่านหญิงฮาจัดกับนบีอิสมาอินอยู่ก็ให้เกียรติถือว่าเป็นเจ้าของบ่อซำา้ำเพราะฉะนั้นการให้เกียรติเริ่มตั้งแต่ตอนนั้นละก็คือรักยกย่องให้เกียรติพอมีลูกหลานมา ก, การยกย่องให้เกียรตินี้ก็มีมาเรื่อยเ่อย นั่นน่าจะเคลียรระดับหนึ่งนะครับวันนี้สมัยผมไม่รู้สึกเป็นวุชัทับซีดเลยมันไม่มีอารมณ์ทับซีดนะเราเข้ามาอารมณ์ทับซีดไหนแล้กันไม่งั้นมันรู้สึกแบบเ อ, อยังโอเคอยู่ครับที่ไลฟ์หรือมีปัญหาโอเคนะผมผมไม่ได้ดูเลยครับผมงั้นซูรานี้เกี่ยวพันอะไรกับเราบ้างผมไม่รู้พี่น้องทางบ้านมีใครถามอะไรมาหรือเปล่ายังยังไม่เจอคําถามเนะ อ่ายังไม่มีคําถามโอเคครับงั้นเรามาดูความหมายแต่ละส่วนแต่ละส่วนอีกทีหนึ่งเมื่อกี้เราสรุปว่าไงนะครับในสรารลีลาฟิตริชโพลล้อดกกได้บอกว่าโพลล้อได้ให้ความโปรดปานแก่ชาวกรีซสออย่างก็คือมีความปลอดภัยในเรื่องของการกินอยู่ในเรื่องของการเดินทางถูกไหมครับมีอาหารการกินสามารถเดินทางอย่างปลอดภัยแล้วก็ มีความปลอดภัยในเรื่องของอาหารการกินอ า, อาหารการกินพอเราบอกความปลอดภัยสองอย่างเนี่ยเป็นเหตุให้จําเป็นที่ชาวกุเรสต้องขอบคุณอัลลอฮ์แล้วเราควรจะขอบคุณอัลลอฮ์ไหมเราไม่ใช่ชาวกุเรชเราไม่ใช่ชาวกุเรชคำตอบครับพอเราพูดถึงความปวดปานกี่อย่างนะสองอย่าง ส อ, อย่างท่านอับดุมฮัมหมัด ส, สลัลลัลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้พูดไว้นะครับขอสรุปในความหมายเลยแล้วกันสรุปในความหมายเลยแล้วกันเดี๋ย ว, วกลัวจะไม่ทันอันนี้อยู่ในบันทึกของอิหมั่นบุคคลีนะครับอิหมั่นบุคคลีแล้วก็อิหมั่นเต็มีดีสรุปความหมายคือท่านอาบีบอกว่าใครก็ตามใครก็ตามไม่เกี่ยวกับเผาแล้วนะไม่เกี่ยวกับเผาแล้วใครก็ตามที่เขาตื่นเช้ามาใครก็ตาม ที่เขาตื่นเช้ามาชีวิตเขามีความปลอดภัยสุขภาพเขาดีแล้วเขามั่นใจว่าวันนั้นเขามีอาหารกินอันนี้กี่อย่างครับสามนะสามมากกว่ากูเลชหนึ่งอย่างท่านับบีบบอกใครก็ตามที่ตื่นเช้ามาแล้วเขามีความรู้สึกปลอดภัยในเช้านั้นคือรู้สึกในการอยู่ ปลอดภัยมีสุขภาพที่ดีมีมั่นใจว่ า, ามีอาหารกินในวันนั้นวันเดียวนะวันเดียวมั่นใจว่ า, ามีอาหารมีอาหารกินในวันนั้นท่านนบีศัสสามบอกว่าไงครับฟะกะอันนะมาฮิซัตละหุดุลยาเหมือนแต่ว่าเขานั้นได้ข้อบครองดุญยาทั้งหมดแล้วเรามาโฟกัสกันแบบตรงๆแบบง่ายๆเลย เราว่าจริงๆแล้วอะไรคือสิ่งที่คนเราต้องการคือบางคนอาจจะบอกว่าฉันต้องการมือถือรุ่นใหม่ฉันอยากจะได้รถฉันอยากจะได้อะไรก็ตามแต่เรามีสิ่งที่อยากจะได้เป็นล้านนั่นเพราะอะไรครับเพราะเราสบายอยู่ไงเพราะเราได้สามอย่างพื้นฐานที่คนทั้งโลกต้องการแล้วเราจึงอยากจะต้องการอย่างอื่นแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราขาดหนึ่งในสามข้อนี้ เราจะไม่ต้องการอะไรอีกเลยนอกจากหนึ่งในสามข้อนี้พี่น้องลองคิดดูถ้าเกิดว่าเราต้องตื่นเช้ามาแล้วเราไม่รู้ว่าชีวิตรเราจะปลอดภัยหรือเปล่าจะมีคนมาตามล่าเรามีคนมาฆ่าเราเมทําร้ายเรามายึดทรัพย์สินเราถ้าพี่น้องตื่นมาเนี่ยมีใครอยากได้รถเบนท์อยู่ไหมถ้าตื่นมาแล้วรู้สึกแบบเนี้ยจะอยากได้อย่างอื่นไหมครับไม่อยากได้ถูกไหมครับจริงๆแล้วอันนี้แหละคือความเมตตาสูงสุดที่อ่อนล่อให้คือตื่นมาแล้วแบบเราอยู่แบบปลอดภัย มาเช้าเราอยู่ประเทศไทยไม่เดือดร้อนทางการมาได้บีบบังคับอะไรมุสลิมอยากทาตัวเป็นมุสลิมตามสบายตื่นมามีความสุขแต่เราเคยเห็นมองเห็นความปวดปาณในนี้ขอรอไหมส่วนใหญ่ไม่เห็นนะส่วนใหญ่ไม่ต้องเสียไปก่อนถึงจะเห็นเราต้องไปอยู่แบบพี่น้องที่ถูกอลัลลอฮ์ทดสอบอย่างชาวปาเลสตาอย่างพี่น้องชาวซีเรียอย่างพี่น้องชาวลุยยาต้องเป็นแบบนั้นก่อนแล้วถึงจะรู้ว่าตกลงที่เราได้ตอนนี้มันสุดยอดความต้องการของคนแล้ว ตื่นมาแล้วแบบรู้ว่าชีวิตปลอดภัยตื่นมามีสุขภาพที่ดีมหาเศรษฐีถ้ามีเงินเป็นล้านล้านล้านล้านแต่ว่าต้องให้ท่อสายยางอ่ะพี่น้องว่าเขามีความสุขหรือเปล่ามันไม่มีความสุขคือบเขาจะซื้ออะไรก็ได้แต่ตอนนี้ที่เขาต้องการอย่างเดียวก็คือฉันเอาสายยางถอดแล้วฉันเดินแบบคนปกติได้ฉันก็มีความสุขที่สุดแล้วนี่คือความปวดตาใหญ่ที่สุดที่เราไม่เห็นค่าเพราะมันง่ายเง ได้มาง่ายๆได้มาฟรีๆได้มาแบบได้มาทุกวันจนฉันไม่เห็นค่าแล้ววันสุดท้ายครับการที่เรามั่นใจว่าจะมีอาหารกินในวันนั้นคือยุคนี้อาหารการกินเยอะไงแค่ตื่นนอนมาในห่างสรรพสินค้าเอยร้านสะดวกซื้ออะไรก็ตามแต่มีกินไม่ขาดแน่นอนแต่ถ้าใครที่มีประสบการณ์ที่ผ่านความอดอยากมา ก, ก่อนผ่านความหิหวโหยมาก่อนบางคนอาจจะมีประสบการณ์แค่ถึงเส้นอด แต่บางท่านผ่านความอดอยากมาจริงๆที่แบบว่าไม่มีข้าวสารจะกรอหม้อเนี่ยความทุกข์ทรมานความเดือดร้อนความยากลําบากตรงนั้นเนี่ยเขาไม่มองไปไกลถึงมือถือไม่มองไปไกลถึงรถไม่มองไปไกลถึงบ้านเขามองแค่ขอให้มีกินอิ่มท่า น, นอับดุลเลาะห์สุลามบอกให้เรารู้ถึงความผาสุกที่แท้จริงของมนุษย์ขอแค่มี3ข้อนี่แหละถ้าเราล่วงรู้ถึงมันเราทําความเข้าใจมันเราจะมีความสุขไม่ต่างอะไรกับ จั ก, กระพัฒที่ได้ของโลกแค่สามอย่างมีได้ทุกคนใช่ไหมแปลว่าจริงๆแล้วเราทุกคนสามารถมีความสุขระดับจั ก, กระพัฒได้หมดเลยขอแค่ตื่นจะตื่นมามั่นใจว่ามีความปลอดภัยในที่ที่เราอยู่เดินทางไปไหนปลอดภัยมั่นใจว่าสุขภาพเราดีถ้าใครที่ไม่ดีก็ขอเรอาเมตตาแล้วก็มั่นใจว่ามีอาหารจริงสามข้อนบีบอกว่าใครมีสามข้อนี้เหมือนกับเขาครอบครองดุนยาทั้งหมด เพราะนั้นเมื่อเรามาเปรียบเทียบกับซุลร์กูรชซุลร์กูรชพวลาบอกพวลาให้เขากี่ข้อสองความปลอดภัยในที่อยู่ความมั่นคงในเรื่องของอาหารพวลาบอกแค่สองอย่างนี้จําเป็นที่ชาวกูรชจะต้องกราบไหว้เอาล้อต้องขอบคุณเอาล้อในความเมตตาที่พวลาให้กับเขาแล้วกับเราที่ได้สามอย่างนะยิ่งกว่านะแล้วถามว่าเราได้แค่สามอย่างเลย ไม่ใช่เนละเพราะนั้นมุสลิมเรามีเหตุผลเป็นล้านที่จะต้องแก้ไว้อลลอฮ์ที่จะต้องขอบคุณอัลลอฮ์ที่จะต้องไม่เนรคุณต่ออัลลอฮ์เราไม่มีเหตุผลในการเนรคุณอัลลอฮ์เลยไม่มีเลยแม้แต่ข้อเดียวก็ไม่มีแต่เมื่ อ, อไหร่ก็ตามที่เราตามอารมณ์เราไม่ต้องการเหตุผลในการฝ่าฝืนอัลลอฮ์แต่เราพร้อมที่จะ ฝ, าฝา่าฝืนอัลลอฮ์ อันนี้คือมุสลิมผมพูดถึงมุสลิมนะกาเฟนไม่พูดเพราเขาไม่เชื่อลออยู่แล้วไงแต่ผมก็แล้วพูดถึงว่าสังคมมุสลิมในปัจจุบันเนี่ยเรามีเหตุผลเยอะแยะมากมายแล้วชอบไปร้องหาเหตุผลไงทําไมทําไมทำไมทำไมทําไมทำไมเหตุผลมันมีเยอะกว่า ท, ที่เราจะจินตนาการออกว่าทําไมเราต้องลุกม า, า, มามละหมาดทาไมเราต้องาา h h h? ละหมาดวันละห้าเวลาทําไมเราต้องไม่กินหมูทําไมเราต้องเชื่อฟังคำสั่งของอัลลอฮ์ทำไมเราต้องทิ้งสิ่งที่มันเป็นฮารอมทำไมเราต้องทิ้งตาสิ่งที่เป็นบาญิบเหตุผลมันมีเป็นล้านแล้ว แล้วมากกว่าเหตุผลทั้งหมดที่เราพูดกันมาพงออล้อได้เตรียมการตอบแทนที่เป็นความผาสุกสูงสุดไว้ให้คนที่ทําให้พงรักได้โอ้มันมันเกินกว่าคําว่าเหตุผลแล้วคือมันไม่มีเหตุผลในการเป็นเด็กดื้อของออล้อนะครับมันไม่มีเลยแต่ว่าเราพวกเราก็ยังมีเหตุผลให้ต้องขอเตาบ้าต่อออล้อตลอดเวลา เรายังมีเหตุผลให้ต้องขอไถ่โทษต่อละตลอดเวลาแต่คนที่ไม่มีเหตุผลต้องขอไถ่โทษต่อละกับขอไถ่โทษต่อละมากกว่าเราอันนี้คือความจริงท่านอบีมุสลลอมอะเลสซาลามไม่มีเหตุผลต้องขอไถ่โทษต่อละเลยไม่มีเลยท่านไม่เคยทาบาปใหญ่ท่านไม่เคยทำบาปท่านอาจจะมีพลาดบ้างท่านพลาดปุ๊บอะละเตือนเลยท่านอบีมุสลลอมอาจจะมีพลาดไปบ้าง แต่ไม่มีอันภาคใหม่ที่อลอลไม่เตือนท่านอาจจะเคยคิดอยากจะละหมาดจนา زا ให้กับมุนาฟิกผูกอ้ออลก็ห้ามหรือว่าห้ามละหมาดจนา زا ให้กับมุนาฟิกเด็ดขาดท่านอาจจะรู้สึกไม่สบายใจเวลาที่ว่ามีคนมุสลิมมาถามท่านตอนที่ท่านกําลังจะได้ว่าให้กับกาเ ฟ, ฟที่ว่าเป็นคนใหญ่คนโตที่ว่าถ้าเขารับอิสลามทั้งเผ่าเป็นมุสลิมแน่นอนท่านอาจจะชักสีหน้าสักหน่อยหนึ่งผูอ้ออลก็เตือน แต่ทั้งหมดที่เป็นข้อผิดพลาดของท่านอับบีมูฮัมหมัดสลาห์ฮวาเลวสลาห์มันน้อยมากกว่าที่เราทําในหนึ่งนาทีสิแล้วพู้อาลักษณ์ก็ไม่เอาผิดทันด้วยแล้วพู้อาลักษณ์กลับรับรองว่าต่อให้ท่านทาความผิดอะไรก็ตามพู้อาลักษณ์ยกโทษให้หมดแล้วคือผู้อาลักษณ์ยกโทษให้แตกยังไม่ต้องทําอะไรยก โ, ยกโยกทษให้แล้วแต่ท่านกลับขอไปโทษต่ อ, ตอละ ว, วันแล้วไม่ต่ำกว่าเจสิบครั้งทั้งๆที่ไม่มีเหตุผลที่ต้องขอ แต่เพราะท่านกลัวถ้ารู้จักกันล้อไงท่านกลัวพระองค์ไงท่านไม่รู้ว่าที่ท่านทําอาจจะมีแบบยังเมียไม่ดีพอหรือเปล่าท่านอาจจะทําได้มากกว่านั้นหรือเปล่าแต่ท่านถึงขีดสุดแล้วอะครับขีดสุดของความเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าคนดีคือมุฮัมมัดสลลลข้างว่าอะไรวะซัลลัมท่านถึงขีดสุดแล้วท่านขออภัยโทษโดยที่ท่านไม่ต้องการเหตุผลที่จะขออภัยโทษใช่ไหมครับท่านไม่ต้องการเหตุผล แต่พวกเราเนะี่ยมีเหตุผลเป็นร้อยให้ต้องขอไปโทษต่อเนาะแต่พวกเรากับขอไปโทษต่อพวกน้อยนเกินเรากลับคิดว่าเราเน่ยเป็นคนดีแล้วบางคนกับคิดว่าฉันไม่เคยทําอะไรผิดเลยสมมุมบุกมุลอมยุนโฟคุมลายยเชียงเทียวเราบอกในกร่านครับตาบอดหูหนวกเป็นใบ้เขาไม่มีทางจะกลับตัวได้เพราะว่าเขาปิดตัวเองขอรัว่าวร้อยให้เราเอดกพ้นจากการที่จะเป็นคนที่อยู่ในลักษณะแบบนั้น ถ้าเราไปดูในสลักอุเรชครับหลังจากที่เราบอกใช่ไหมว่าฟัลยา فاليعبدوا ربها سلبيت الذي أطعمه من شو وأأمنه من เขาพอเราพูดถึงสองอารมณ์ที่ว่าเป็นความกลัวพื้นฐานของมนุษย์หรือว่าเป็นสิ่งที่มนุษย์แต่ไม่อยากจะหลีกหนีให้มากที่สุดอันที่หนึ่งก็คือความหิวไม่มีใครอยากหิวไม่มีใครอยากอ ย, กอยู่แบบอดอยา อันที่2ก็คือการที่ต้องอยู่แบบกลัวการที่ต้องมีความรู้สึกที่ว่ากลัวพวกเราบอกว่าพวกเราให้มันนั้นออกไปจากใจของชาวคูดเดชพวกเราได้ให้เกียรติแก่พวกเขาเหล่านั้นเพราะนั้นพวกเขาเหล่านั้นจงกลับว่าต่อผู้ที่ดูแลบ้านหลังนี้บ้านหลังนี้ก็คือกาบาครับเดี๋ยวเรารับประทานกัน เรามาสรุปสาระที่ได้จากสุรัตกรุรสกันนะครับผมในส ร, รัตกรุรสเนี่ยพวกเราได้พูดถึงความปวดปลายในยิ่งใหญ่ที่พระงได้ให้กับชาวกรุไรสซึ่งก็คือความปลอดภัยในการเดินทางเพื่อไปสแสวงหาปัจจัยยังชีพก็คือทั้งสองอย่างรวมอยู่ในเรื่องเดียวก็คือทั้งความปลอดภัยในการเดินทางและความปลอดภัยในการที่ได้มีอาหารกินผมลืมบอกไปนิดนึงก็คือว่าคนแรกที่ว่ารีเริ่มการเดินทางที่ว่าฤดู หนาวลงไปทางใต้ฤดูร้อนแล้วออกไปทางชามก็คือท่านหาชิมฮาชิมบิลลดีมานะัฟก็คือบนรณาชิมนั่นแหละที่ท่านมีว่าเซอร์สตา์บอลรอดได้เลือดสับนบรรณาชิมให้ประเสริฐที่สุดจากในกลุ่มของชาวฟูเรชก็คือตัวของฮาชิมเองเลยที่ว่าเป็นคนที่ว่าได้เริ่มรูปแบบการเดินทางในแต่ละปีทั่วปีหนึ่งไปสองครั้ง สิ่งที่เราได้จากในซูลาะกูเรชนี้นะครับก็คือสิ่งที่มุสลิมเราควรจะต้องตระหนักตลอดเวลาก็คือว่าเราอย่าเราอย่าทําตัวเป็นคนที่โฟกัสกับจุดดําในกระดาษสีขาวอย่าทําตัวเป็นคนที่ว่าโฟกัสในจุดดําในกระดาษสีขาวเพราะมุสลิมเป็นจํานวนไม่น้อยที่ว่าสิ้นสภาพในการเป็นมุสลิมหมดศรัทธาต่ออัลลอฮ์เพราะว่าเขาโฟกัสในจุดดําที่มีในกระดาษสีขาว มันคืออะไรครับกระดาษสีขาวเพื่อความเมตตาขององค์ลอร์พระลร์เมตตาเราให้กับเราทุกสรรพสิ่งที่เราได้ที่เป็นเราจะถึงตอนนี้ครับในร่างกายในระบบต่างๆที่เราได้คือพระลอร์ให้มาสารพัดซึ่งพระลอร์บอกว่อินเตอร์วิโดเนี่ยตอนลอร์เาต้อสู้หามเป็นไปไม่ได้ที่เราจะนับได้เลยว่าลอร์เมตตาเราแค่ไหนในแต่ละวันมันเหมือนกับกระดาษขาวขนาดใหญ่มากึมาแต่ว่าเวลาเราเจอสิ่งที่ไม่สบอารมณ์ในชีวิตนะครับเวลาเจอเรื่องเดือดร้อน เวลาขอดูอาแล้วร้อนไม่ให้เวลาตั้งใจอะไรสักอย่างฉันอยากแต่งงานกับคนนี้ทําไมไม่ได้แต่งงานกับคนนี้ฉันอยากทาธุรกิจนี้ทําไมมันไม่สําเร็จสักทีทําไมการเรียนของฉันเป็นแบบนี้ทําไมฉันต้องโดนดา่าทําไมพ่อแม่เป็นแบบนี้ไม่ว่ามันจะเยอะแค่ไหนก็ตามแต่ถ้าเกิดเราเทียบกับกระดาษแผ่นใหญ่สีขาวที่เป็นความเมตตาของร้อนเนี่ยมันเหมือนกับเป็นแค่จุดดําที่มันแต้มแต่ธรรมชาติของคนครับถ้าเอากระดาษขาวแผ่นใหญ่แล้วมีจุดดํา แนมอยู่ให้เขาดูเขาจะโฟกัสตรงไหนโฟกัสจุดดำธรรมชาติมันรู้เป็นอย่างนี้จริงๆแล้วเราก็จะไม่เห็นคุณค่าทั้งหมดของสีขาวที่มีเลยเพราะเราจะติดใจแต่จุดดำนี่นแหละทําไมฉันต้องโดนอย่างนี้ทําไมต้องเป็นแบบนี้ฉันไม่มีอารมณ์ฉันอยากทะเลาะฉันไม่อยากจะลมาฉันไม่อยากทาอีบารดาฉันวันนี้รู้สึกไม่อยากทาอะไรเลยถามว่าทาไมโดนแฟนหักอกมา คือเป็นจุดดําที่บางทีตัวเองทําผิดเองตัวเองไปยุ่งกับฮารอมเองแล้วพอฮารอมที่ตัวเองทํามันไม่ได้ผลตามที่ต้องการก็เอามาพานในการทํล า, ายยิบหอล้อยต่างหากครับก็ขอด้อาาวงจ่ารถเครับให้เราเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่ว่ารู้จักบุญคุณของเรถต่อให้เราไม่รู้ว่าพงไม่ตายเราแค่ไหนก็ตามแต่ทุกครั้งที่เราพูดว่าอัลฮัมดุลิลไลฮ์เราบิลาลฮ์เรามีนั่นคือเราขอขอบคุณต่อพรง ในทุกๆสิ่งที่พระองค์ให้แก่เรามาทั้งที่เรารู้แล้วก็ทั้งที่เราไม่รู้ขอด้วยอาจากอัลลอฮ์อยาให้เราเป็นหนึ่งในกลุ่มชนที่ว่าในละคุณต่ออัลลอฮ์แล้วก็ขอให้เรานั้นเป็นกลุ่มชนที่ว่าได้รู้จักขอบคุณอัลลอฮ์แล้วก็เป็นบ่าวที่อัลลอฮ์รักได้เถิดอาเมนครับท่านใดมีคําถามไหมครับก่อนที่เราจะแยกย้ายกันครั้งหน้าเรามาคุยกันในสุระอัลฟีนนะครับมาคุยสุระที่ใหญ่ที่สุดในกุฎานสุระฟีนช้างช้างตัวโตใช่ไหมครับใหญ่ที่สุดในกุฎานมุก อ้าวอันดับปีประชุมครับผมสุบฮานะกะหลาห์มาวิหำนี่แก n อ a ลช a ดุล l ลลันต a สักกูไลอ r ส k ามอัมุลมาอบร